มบทแปลเรื่องที่8เรื่องสัญชัยข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบความไม่มาของสัญชัยปริพาชกซึ่งสองพระอัครส า, าวกกราบทูลแล้วตรัสพระธรรมเทศนา น, นี้ว่าอะซาเรซารมาติโนเป็นต้น อนุปพีกถาในเรื่องสนใจนั้นดังต่อไปนี้ตอนพระศาสดาได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้า23พระองค์ความพิสดารว่าในที่สุดสีอสงไขยิ่งด้วยแสนกับแต่กับนี้ไปพระศาสดาของเราทั้งหลายเป็นกุมารของพรามนามว่าสุมเมทะ ในอมรวดีนครถึงความสำเร็จศิลปะทุกอย่างแล้วโดยการล่วงไปแห่งมารดาและบิดาทรงบริจาคท ร, รัพย์นับได้หลายโกรธบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมะวันตะประเทศทำชาและอภิญยาให้เกิดแล้วไปโดยอากาศเห็นคนถางทางอยู่เพื่อประโยชน์เสด็จออกจากสุทัศนวิหาร เข้าไปสู่อมรวดีนครแห่งพระทศพลทรงพระนามว่าทีปังกรแม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่งเมื่อประเทศนั้นยังไม่ทันเสร็จนอนทอดตนให้เป็นสะพาน ล, ลาดหนังเสือเหลืองบนเปลือกตมเพื่อพระาศาสดาผู้เสด็จมาแล้วด้วยประสงค์ว่าขอพระาศาสดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ไม่ต้องทรงเหยียบเปลือกต้มจงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิดแต่พอพระสัสดาทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพยากรณ์ว่าผู้นี้เป็นพุทธังคูลจกเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมในที่สุดสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับในอนาคตในสมัยต่อมาแห่งพระสัสดาพระองค์นั้น ก็ได้รับพยากรในสำนักพระพุทธเจ้า23พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติสองโลกให้สว่างแม่เหล่านี้คือพระกนทัญญาคหนึ่งพระสมังคละ1หนึ่งพระสมณุมหนึ่งพระเรวตะ1หนึ่งพระโสพิตะหนึ่งพระอนุมัสสศี1หนึ่งพระปธุมะหนึ่งพระนาระธหนึ่งพระปธุมุตระหนึ่ง พระสุเมธาหนึ่งพระสุชาตะหนึ่งพระปิยทัศนีหนึ่งพระอัฏทัศน์ีหนึ่งพระธรรมทัศน์ศีหนึ่งพระสิทธะหนึ่งพระติสะหนึ่งพระปุษาหนึ่งพระวิปัสสีหนึ่งพระสิกขีหนึ่งพระเวสภูหนึ่งพระกัจกุสันทะหนึ่งพระโกนาคมาณะหนึ่งพระกสปะหนึ่ง ทรงบำเพ็ญบารมีครบ30สคือบารมีสิบอุปบารมีสิบบารมัทบารมีสิบครั้งดำรงอยู่ในอัฐภาพเป็นพระเวสสันดรให้มหาทานอันรำแผ่นดินให้ไหวแดครั้งทรงบริจาคพระโอรสและพระชญยาในที่สุดพระชนมายุก็ทรงอุบัติในดุสิตบุรีดำรงอยู่ในดุสิตบุรีนั้น ตลอดพระชนมายุเมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาว่ากาโลยันเตมหาวระอุปจักมาตุกุจียงสเดวกังตารยันโตบุชัตสุอมตังปดังข้าแต่พระมหาวีระการนี้เป็นการของพระองค์ ขอพระองค์จงเสด็จอุบัติในพระคันพระมารดาตรัสรู้อมตะบทอย่างโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่ส่งเลือกฐานะใหญ่ๆที่ควรเลือกหเสด็จจุติจากดุสิตบุรีนั้นแล้วทรงถือปฏิสนธิในสากยราชสกุลอันพระประยุลยาบเบอรออยู่ด้วยมหาสมบัติในสากยศสกุลนั้น ทรงถึงความเจริญวัยโดยลำดับเสวยสิริราชสมบัติในประสาททั้งสาอันสมควรแก่ฤดูทั้งสดุจสิริสมบัติในเทวโลกตอนทรงเห็นเทวทูตแล้วสเสด็จบรระชาในสมัยที่สเสด็จไปเพื่อพระาพาพระอุทยานทรงเห็นเทวทูตสกล่าวคือ คนแก่คนเจ็บและคนตายโดยลำดับทรงเกิดความสังเวชเสด็จกลับแล้วในวันที่สี่ทรงเห็นบรรพชิตยังความพอพระทัยในการบรรพชาให้เกิดขึ้นว่าการบรรพชาดีเสด็จไปสู่อุทยานอย่างหวนให้สิ้นไปในพระอุทยานนั้นพระทับนั่งริมขอบสระบรุรีอันเป็นมงคล อันวิสุกรรมเทพบุตรผู้จำแรงเพศเป็นช่างกลบกมาตกแต่งถวายทรงสดับข่าวประสูตดของพระราหุนกุมารทรงทราบถึงความเสนิหาในพระโอรสเป็นกำลังทรงพระดาริว่าเราจะตัดเครื่องผูกนี้จนผูกมัดเราไม่ได้ทีเดียวเวลาเย็นเสด็จเข้าไปอย่างพระนครทรงสดับคาถานี้ ที่พระธิดาของพระเจ้าอาพระนามว่ากีสาโคตมีพระสิทธว่านิบุตานูนาซามาตานิบุโตนูนาโซปิตานิบุตานูนาซานารียัซซายังอีดิโซปติกพระราชกุมารผู้เช่นนี้เป็นพระราชโอรสแห่งพระชนนีพระชนก และเป็นพระสวามีของพระนางใดพระนางใดพระชนนีพระชนกและพระนางนั้นนั้นดับเย็นใจแน่แล้วทรงพระดำริว่าเราอันพระนางกีสาโคตมีนี้สวดให้ได้ยินนิพพุทธบทแล้วจึงเปลืองแก้มุกดาหารจากพระสอทรงไปประทานแก่พระนางแล้วเสด็จเข้าไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ ประทับนั่งบนพระแท่นพระธมอันมีสิริทอพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหมู่หญิงฟ้อนที่เข้าถึงความหลับแล้วมีพระไทยเบื่อหน่ายจึงปลุกนายช น, นะให้ลุกขึ้นให้นําม้ากันทกะมาเสด็จขึ้นม้ากันทกะมีนายช น, นะเป็นสหายอันเทวดาในมือจักรวาลห้อมล้อมแล้วเสด็จออกมหาพิเนสกรม ทรงบป็ระชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีสเสด็จถึงกรุงราชคฤืดโดยลำดับเสด็จเดียวบินทบาตในกรุงราชคฤืดนั้นประทับนั่งที่เงื้อมเขาปันธวาอันพระเจ้าแผ่นดินมคตทรงเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติทรงปฏิเสธคำเชื้อเชิญนั้นทรงรับปฏิญญาจากเท้าเธอเพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาแล้ว จะเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์เสด็จเข้าไปหาอาลาระดาบทและอุตะกะดาบทไม่ทรงพอพระทัยคุณวิเศษที่ทรงได้บรรลุในสำนักของสองดาบทนั้นทรงตั้งความเพียรใหญ่ถึงหกปีตอนทรงบรรลุสัพพัญยุตยาแล้วทรงแสดงธรรมในวันวิสาขาบรมี เช้าตรู่สเสวยข้าวปายาติซึ่งนางสุชาดาถวายแล้วทรงร้อยถาทองคำในแม่น้ำเนรัญชราให้ส่วนกลางวันล่วงไปด้วยสมาบัติต่างๆในราวป่ามหาวันริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเวลาเย็นทรงรับญาติที่นายโสติยะถวายมีพระคุณอันพระยากาและนาคราชชมเชยแล้ว สเสด็จสูข่วงไมโ้โพส่งลาดยาทำปฏิญญาว่าเราจะไม่ทำลายบรลลังนี้ตลอดเวลาที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยการไม่เข้าไปถือมันประทับนั่งผินประพักไปทางบุรพาเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงทรงกำจัดมาและพลมาได้ทรงบรรลุ ป, ปุเพนิวาทยาน ในปฐมยามทรงบรรลุจุตูปปาตายามในมัชฌิมยามยังพระญาณ ล, ลงในปัจจยาการในที่สุดปัจมยยามในเวลาอารุณขึ้นทรงแทงตลอดสัพพายุตยานซึ่งประดับด้วยคุณทุกอย่างมีทศภรรยานและจตุเวสารชยานเป็นอาธิทรงยังการให้ผ่านไปที่ควงไม้โพ ถ, ถึงจ็ดสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่8ประทับนั่งที่โคนไม้อชับ ป, ปาละนิโครธทรงถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อยด้วยพิจารณาเห็นว่าทมเป็นสภาพลึกซึ้งอันเท้าสหัมบดีพรมผู้มีมหาพรหมหมื่นหนึ่งเป็นบริวารเชื้อเชิญให้ทรงแสดงธรรมทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุแล้วทรงรับคำเชิญของพรม ทรงใคร่ครวนว่าเราพึงแสดงธรรมแก่ใครหนอแลเป็นที่แรกทรงทราบว่าอาลาระดาบทและอุตกดาบททากาละแล้วทรงหัวลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปัญจวคีสเสด็จลุกจากอาสนะไปยังกาสีบุรีในระหว่างมักาได้สนทนากับอุปการชีวก ในวันอาสาลหาบุรมีสเสด็จถึงที่อยู่ของภิกษุปัญจวคีในป่าอิสิปตนะมรุคทยวันทรงยังภิกษุปัญจวคีเหล่านั้นซึ่งเรียกร้องพระองค์ด้วยถ้อยคำอันไม่สมควรให้สำนึกตัวแล้วเมื่อจะยังพรมสิบแปดโกดมีพระอัญญากนธัญญาเป็นประมุขให้ดื่มน้ำอมตะจึงทรงแสดงพระธรรมจั ทรงมีธรรมจักบวรอันให้เป็นไปแล้วในดิถีที่ห้าแห่งปักทรงยางภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในพระอรหันต์วันเดียวกันนั้นทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยศกุลบุตรแล้วตรัสเรียกเขาซึ่งเบื่อหน่ายละเรือนออกมาในตอนกลางคืนว่ามานี่เถิดยศ ทำเขาให้บรรลุโสดาปฏิผลในตอนกลางคืนนั่นเองในวันรุ่งขึ้นให้ได้บรรลุพระอรหันต์ทรงยังสหายของยสะนั้นแม้พวกอื่นอีก54คนให้บรรพชาด้วยเอหิพิคุอุปสมปทาแล้วให้ได้บรรลุพระอรหันต์ตอนทรงส่งสาวกไปประกาศพระาศาสนา เมื่อพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลก61พระองค์โดยประการอย่างนี้แล้วพระศาสดาเสด็จอยู่จำพรรษาปวารณาแล้วทรงส่งภิกษุ60สรูปไปในทิศทั้งหลายด้วยพระพุทธตํรรัตว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้เป็นต้นส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศในระหว่างทาง ได้ทรงแนะนำพัทธวกคียกุมารส0สบคนณราวป่ากับปาสิกวันบรรดาพัทธวกคียกุมารส0ิคนนั้นยางต่ำกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นโสดาบันสูงกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นพระอนาคามีพระองค์ทรงให้พัทธวีทั้งหมดแม่นั้นบรรพชาด้วยเอหีพิขุภาวะอย่างเดียวกันแล้วทรงส่งไปในทิศทั้งหลาย ส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศทรงแสดงปฏิหาร 3,500 อย่างแนะนำชดินสามพี่น้องซึ่งมีชดินพันคนเป็นบริวารมีอุรุเวลกัส ป, ปะเป็นตน้นให้บรรพชาด้วยเอหิพิกุภาวะเช่นเดียวกันแล้วให้ประชุมกันที่ขยาศีษะประเทศให้ตั้งอยู่ในพระอรหันต ด้วยอาดิตาภริยายะเทศนาแวดล้อมด้วยพระอรหันต์พันองค์นั้นเสด็จไปสู่อุทยานลัติวันใกล้แดนพระนครราชกุลด้วยทรงพระดำริว่าจากเปลืองปฏิญญาที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารตรัสพระธรรมกถ า, าอันไพเราะแด่พระราชาผู้ทรงสดับข่าวว่าทราบว่า พระศาสดาเสด็จมาแล้วเสด็จหมาเฝ้าพร้อมด้วยพรามและกรหบดี12นาหุดยังพระราชากับพรามและครืหบดี11หนหุดให้ตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิผลอีกนหุดหนึ่งให้ตั้งอยู่ในสารณะสามวันรุ่งขึ้นมีพระคุณอันท้าวส ก, กาศเทวราชทรงแปลงเพศเป็นมานพชมเชยแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชฤกษ์ทรงทำรรพัฒกิจในพระราชนิเวศทรงรับเวลุวนารามประทับอยู่ในเวลุวนารามนั้นนั่นแหลพระสารีบุตรและพระโมคขลาดนะเข้าไปเฝ้ารพระ์ในเวลุวนารามนั้นอนุปุตรปีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคขลากนณะนั้นดังต่อไปนี้ ตอนประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะความพิสดารว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุปัติแล้วนั่นแลได้มีบ้านพระรามสองตำบนคืออุปติสากขามหนึ่งโกลิตักขามหนึ่งในที่ไม่ไกลแต่กรุงราชกฤชในสองบ้านนั้นในวันที่นางพระรมณีชื่อสารี ในอุปติสาคามตั้งคันนั่นแหลแม้นางพระมณีชื่อโมกคลีในโกลิตาคามก็ตั้งคันได้ยินว่าตระกูลทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วตระกูลทีเดียวพราะผู้สามีได้ให้พิธีบริหารคันแก่พระมณีทั้งสองนั้นในวันเดียวกันเหมือนกันโดยการล่วงไปสิบเดือน พระมณีทั้งสองนั้นก็คลอดบุตรในวันขานชื่อพวกญา ต, าาา ต, าตาิตั้งชื่อบุตรของสารีพรหมณีว่าอุปติสสะเพราะเป็นบุตรของตระกูลไหนบ้านในตำบลอุปติศสะขามตั้งชื่อบุตรของโมคลานีพรหมณีว่าโกลิตะเพราะเป็นบุตรของตระกูลในบ้านในตำบลโกลิตะขามนอกนี้ เด็กทั้งสองนั้นถึงความเจริญแล้วได้ถึงความสำเร็จแห่งศิลปะทุกอย่างในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือสวนเพื่อประโยชน์จะเล่นอุปติสมานบมีเสลี่ยงทองคำารเป็นเครื่องแห่แห่นกุลิตะมานพบมีรถเทียมด้วยม้าอาชาในห้ารเป็นเครื่องแห่แห่นชนทั้งสองมีมานพบเป็นบริวาร คนละห้ารก็ในกรุงราชคฤื้มีมหรสพบนยอดเขาทุกๆปีมูญาได้ยกเตียงซ้อนกันเพื่อกูมารทั้งสองนั้นในที่เดียวกันนั่นเองแมกกูมารทั้งสองก็นั่งดูมหรสพร่วมกันย่อมหัวเราะในฐานะควรหัวเราะย่อมถึงซึ่งความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชย่อมตกรางวัลในฐานะ ที่ควรตกรางวัลวันหนึ่งเมื่อกุมารทั้งสองเหล่านั้นดูมหาหรสพโดยทำหนองนี้ความหัวเราะในฐานะที่ควรหรัวเราะหรือความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชหรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัลไม่ได้มีแล้วเหมือนในวันก่อนๆเพราะยานถึงความแก่รอบแล้ว ก็ชนทั้งสองคิดกันอย่างนี้ว่าจะมีอะไรเล่าที่น่าดูในการนี้ชนทั้งหมดแม้นี้เมื่อยังไม่ถึงหนึ่งปีก็จะถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติไม่ได้ก็เราทั้งสองควรสแสวงหาทำเครื่องพ้นอย่างเอกดังนี้แล้วถือเอาเป็นอารมณ์นั่งอยู่แล้วลำดับนั้นโกลิตะพูดกับอุปติสาวา อุปติสสะผู้สีหายชไหนท่านจึงไม่หัวเราะรื่งเริงเหมือนในวันอื่นๆวันนี้ท่านมีใจไม่เบิกบานท่านกําหนดอะไรได้หรืออุปติสสะนั้นกล่าวว่าโกลิตะผู้สหายเรานั่งคิดถึงเหตุนี้ว่าในการดูคนเหล่านี้หาสาระไม่ได้การดูนี้ไม่มีประโยชน์ เราควรแสวงหาโมกะธรรมเพื่อตนก็ท่านเล่าเพราะเหตุไรจึงไม่เบิกบานแม้โกริตักนั้นก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอุปติสสะทราบความที่โกลิตักนั้นมีอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับตนจึงกล่าวว่าสหายเ อ, อ๋ยเราทั้งสองคิดกันดีแล้วก็เราควรแสวงหาโมกะธรรม ธรรมดาผู้แสวงหาต้องได้บรรพชาชนิดหนึ่งจึงควรเราทั้งสองจะบรรพชาในสำนักใคร่เล่าตอนสองสหายทำกติกากันก็โดยสมัยนั้นแลสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชครึกกับปริพาชกบริษัทมูใหญ่สาริบุตรและโมกลานะทั้งสองนั้นตกลงกันว่า เราจะบวชในสำนักท่านสัญชัยนั้นต่างส่งมานพห้าร้อยไปด้วยคาว่าท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิดพร้อมด้วยมานพห้าร้อยบวชแล้วในสำนักของสัญชัยจำเดิมแต่เขาทั้งสองบวชแล้วสัญชัยก็ได้ถึงความเลิศ้วยลาบและยศอย่างเหลือเฟือทั้งสอง เรียนจบลทัทธิสมัยของสัญชัยโดยสองสามวันเท่านั้นจึงถามว่าท่านอาจารย์ลัทธิที่ท่านรู้มีเพียงเท่านี้หรือมีแม้ยิ่งกว่านี้เมื่อสัญชัยตอบว่ามีเพียงเท่านี้แหละเธอทั้งสองรู้จบหมดแล้วเขาทั้งสองจึงคิดกันว่าเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติประมาจนในสำนักของท่านผู้นี้ ก็ไม่มีประโยชน์เราทั้งสองออกมาเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมโมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ในสำนักของท่านผู้นี้อันชมปูทวีปใหญ่นักเราเที่ยวไปยังคามนิคมชนบทและราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ตั้งแต่นั้นใครพูดในที่ใดๆว่า สมณบา ร, รามผู้บัณฑิตมีอยู่เขาทั้งสองย่อมไปทำสากัดฉาในที่นั้นนั้นปัญหาที่เขาทั้งสองถามไปอาจารย์เหล่าอื่นหาอาจตอบได้ไหมแต่เขาทั้งสองย่อมแก้ปัญหาของอาจารย์เหล่านั้นได้เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีปอย่างนั้นแล้วกลับมายัางที่อยู่ของตนจึงทำกติกากันว่ากุลิตะผู้สหาย ในเราสองคนผู้ใดได้บรรลุอมตรธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันเมื่อเขาทั้งสองทำกติกากันอย่างนั้นอยู่พระศ า, าสดาเสด็จถึงกรุงราชครืดโดยลำดับดังที่กล่าวแล้วทรงรับเวรุวันแล้วประทับอยู่ในเวรุวันในการนั้นพระอาชชิเถระในจานวนพระปัญจวคี ระหว่างพระอาหารหันต์องค์ที่พระศ า, าสดาทรงส่งไปเพื่อประกาศคุณพระรัตนตรยัยด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากเถิดกลับมายังกรุงราชครืแล้วในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาทจีวรไปสู่กรุงราชครืเพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ สมัยนั้นอุปติสาพรริภาชรกรรมพัตกิจแต่เช้าตรู่แล้วไปยังอารามของพริภาชกพบพระเถระจึงคิดว่าอันนักบวชเห็นป่านนี้เรายังไม่เคยพบเลยภิกษุรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่งบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตมรรคในโลกใช่ไหนหนอ เราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้แล้วถามว่าผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจทำของใครที่นั้นความปริวิตกนี้ได้มีแกเขา ว, ว่าการนี้ไม่ใช่การควรถามปัญหากับภิกษุนี้แลภิกษุนี้กําลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต ถ้าไครเราเมื่อสแสวงหาโมกขธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้วควรติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้บินถบาดแล้วไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหนึ่งและทราบความที่พระเถรานั้นประสงค์จะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริภาชกสําหรับตนถวายแม้ในเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้ว ก็เด้จะไหว้น้ำในกุลโทของตนแด่พระเถราร์ครั้นทาอาจารยวัดอย่างนั้นแล้วจึงทำปฏิสันฐานอย่างจับใจกับพระเถรารซึ่งฉันเสร็จแล้วเรียนถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจทาของใครตอนพระอัศจริสดงหัวใจพระาศาสนาพระเทวระคิดว่าธรรมดาบริภาชกเหล่านี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาเราจะแสดงความลึกซึ้งในพระาศาสนาแก่ปริภาชกนี้เมื่อจะแสดงความที่ตนบวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุ เราแลเป็นผู้ใหม่บวชแล้วไม่นานพึ่งมาสู่ทมวินัยนี้เราจะไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อนปริภาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสักขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถอจะน้อยหรือมากก็ตามข้อนั้นเป็นภารร่างของข้าพเจ้าเพื่อแทงตลอดด้วยร้อยในพันใน ดังนี้แล้วเรียนว่าอปังวาบหุ่งวาภาสัสุอัททันเยวะเมบรูหิอัทเทเนวะเมอทัทโธกิงกาหาสิบยัญชนังบหุ่งจะมากหรือน้อยก็ตามก็พระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการใจความ จะต้องทำพยัญชนะให้มากไปทำไมเมื่อเขาเรียนอย่างนั้นแล้วพระเถรราจึงกล่าวคาถาว่าเยธมาเหตุปบพวาเตสังเหตุตงตถากโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด ประตาฐาคตตรัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นประมหาสมณะมีปกติตรัดอย่างนี้ตอนสองสหายสำเร็จพระโสดาบันปริปาชกฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลอันถึงพร้อมด้วยในพันหนึ่ง พระเถระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงในเวลาเขาเป็นพระโสดาบันเขาเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไม่เป็นไปอยู่ก็คาดว่าเหตุในสิ่งนี้จะมีจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนายิ่งขึ้นไปเพียงเท่านี้ก็พอ พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเถระตอบว่าประทับอยู่ในพระเวลุวันผู้มีอายุเขาเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นขอท่านโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งและข้าพเจ้าทั้งสองได้ทำากติกากันและกันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมะตะก่อน ผู้นั้นจงบอกกันข้าพเจ้าเปลืองปฏิญญานั้นแล้วจกพาสหายไปสำนักพระศาสดาตามทางที่ท่านไปแล้วนั่นแลดังนี้แล้วมอบลงทบเท้าทั้งสองของพระเถระด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์ทำประทักษิณสามรอบส่งพระเถระไปแล้วได้บ่ายหน้าไปสู่อารามของปริภาชกแล้ว โกลิตาปริพาชกเห็นเขามาแต่ไกลคิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นๆเขาคงได้บรรลุอมตะโดยแน่แท้จึงถามถึงการบรรลุอมตะแม้อุปติสสะปริาพราชกนั้นก็รับว่าเออผู้มีอายุอมตะเราได้บรรลุแล้วเทพาสิทธคาถานั้นนั่นแล แกโกลิตะปริภาชกนั้นในการจบคถาโกลิตะดำลงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วจึงกล่าวว่าสหายข่าวว่าพระาศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนอุปติสสะข่าวว่าประทับอยู่ในพระเวิรุฬห์สหายข่าวนี้ท่านอัชชิเถระพระอาจารย์ของเราบอกไว้แล้ว โกลิตะสายถ้ากระนั้นเราไปเฝ้าพระศาสดาเถิดตอนสองสายชวนสัญชัยไปเฝ้าพระศาสดาก็ธรรมดาพระสารีบทเถระนี้ย่อมเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมื่อเดียวเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับสหายอย่างนี้ว่าสหาย เราจะบอกอมตะที่เราทั้งสองบรรลุแกสันชัยปริภาชกผู้อาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จากแทงตลอดเมื่อไม่แทงตลอดเชื่อพวกเราแล้วจากไปยังสำนักพระสัสดาสดับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจากทำการแทงตลอดซึ่งมักและผลลำดับนั้นทั้งสองคนก็ไปสู่สำนักของท่านสัญชัย ท่านสัญชัยพอเห็นเขาจึงถามว่าพอทั้งสองพวกพอ่อได้ใครที่แสดงทางอมะตะแล้วหรือสหายทั้งสองจึงเรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติทธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านมาเถิด เราทั้งหลายจะไปยังสำนักพระสาสดาสัญชัยท่านทั้งสองไปเถิดข้าพเจ้าไม่สามารถสหายเพราะเหตุอะไรสัญชัยเราเที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้วการอยู่เป็นอันเตวาสิก ข, ของเรานั้นเช่นกับเกิดความไหวแข่งน้ำในตุ่มเราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวาสิกได้ สหายอย่าทำอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์สัญชัยช่างเถอะพ่อพ่อพากันไปเถอะเราจะไม่สามารถสหายท่านอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาพระองค์เท่านั้น แม้กระผมทั้งสองก็จับไปในที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำอย่างไรสัญชัยพ่อทั้งสองในโลกนี้มีคนเข่าวมากหรือมีคนฉลาดมากเล่าสายคนข่าวมากขอรับท่านอาจารย์อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อยสัญชัยพ่อทั้งสองถ้ากระนั้นพวกคนฉลาดฉลาด จากไปสู่สำนักพระสมณโคดมพวกคนเขา่เขาๆจักมาสำนักเราพ่อไปกันเถิดเราจากไม่ไปสหายทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจักปรากฏเองดังนี้แล้วหลีกไปเมื่อสหายทั้งสองนั้นไปอยู่บริษัทของสัญชัยแตกกันแล้วขณะนั้นอารามได้ว่างลง สัญชัยนั้นเห็นอารามว่างแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่นในปริพภาชกห0 0คนซึ่งไปกับสหายทั้งสองนั้นบริษัทของสัญชัย250คนกลับแล้วสหายทั้งสองได้ไปสู่พระเวลุวันพร้อมด้วยปริพภาชก250คนผู้เป็นอันเตวาสิกของตนตอน สิทธิ์สเร็จพระอรหัตผลก่อนอาจารย์พระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมในถ้ำกลางบริษัทสทอดพระเนตรเห็นปริพาชกเหล่านั้นแต่ไกลเทียวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายนั่นกำลังมาคือโกลิตะและอุปติศักิ์ทั้งสองนั่น จะเป็นคู่สาวกที่ดีเลิศของเราสองสหายนั้นถวายบังคมพระสัสดาแล้วนั่งในะส่วนข้างหนึ่งเขาทั้งสองได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้ารพระองค์พึงได้บรระชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปรมจรรันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคนทั้งหมดได้เป็นผู้ทรงบาตรจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิ์รามกว่าพระเถระหนึ่งร้อยพันาครั้งนั้นพระสัส ด, สดาทรงขยายพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจจริยา แกบริษัทของทั้งสองสหายนั้นเว้นพระอัครส า, าวกทั้งสองเสียชนที่เหลือบรรลุพระอรหันต์แล้วก็กิดด้วยมรรคเบื้องสูงของพระอัครส า, าวกทั้งสองมิได้สําเร็จแล้วถามว่าเพราะเหตุไรแกว่าพราะสาวกเบรมียานเป็นของใหญ่ต่อมาในวันที่เจ แต่วันบวชแล้วท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกันละวาระในแควนมคธอยู่เมื่อทีนามิทาครอบงำอันประสัสดาทรงให้สังเวทแล้วบรรเทาทีนามิทาได้กำลังฟังพระาธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตป ร, ระทานแล้วได้ยังกิดในมรรคสามเบื้องบนให้สำเร็จบรรลุที่สุดสาวกบรมยาแล้ว ไฟพระสารีบุตรล่วงได้กึ่งเดือนแต่วันบวชเข้าไปอาศัยกรุงราชครึ่นั่นแหละอยู่ในถ้าสุกระาตากับด้วยพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริฆาสูตรแก่ทีขณกะปริพาชกผู้หลานของตนทรงยานไปตามกระแสแห่งพระสูตรก็ได้บรรลุที่สุดสาวกบ ร, รมยานเหมือนผู้ที่บริโภคพัก ที่เขาคดให้ผู้อื่นมีคำถามว่าก็ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากมิเช่ยวหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเหตุไรจึงบรรลุสาวกบา ร, รมีญาณช้ากว่าพระมหาโมคคลานะแก่ว่าเพราะมีบริกรรมมากเหมือนอย่างว่าพวกคนเข็นใจประสงค์จะไปที่ไหนไหนก็ออกไปได้รวดเร็ว ส่วนพระราชาต้องได้ตระเตรียมมากมีการตระเตรียมช้างพระราชพาหนะเป็นต้นจึงสมควรฉันใดอุปมาอันนี้พึงทราบฉันนั้นตอนพวกภิกษุตีเตรีพระศาสดาก็ในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวรุวัน ประธานตาแหน่งพระอัครสาวกแก่พระเถรราทั้งสองแล้วทรงแสดงพระปาติโม่พวกภิกษุติเตียนกล่าวว่าพระศาสดาประธานตาแหน่งแก่ภิกษุทั้งหลายโดยเห็นแก่หน้าอันพระองค์เมื่อจะประธานตาแหน่งอัครสาวกควรประธานแก่พระปัญจวคีผู้บวชก่อนเมื่อไม่เหลียวแลถึงพระปัญจวคีเหล่านั้น ก็ควรประธานแก่ภิกษุ5 5รูปมีพระยศเถี่ยรับเป็นประมุขเมื่อไม่เหลียวแลถึงภิกษุเหล่านั้นก็ควรประธานแก่พระพวกพัทธวคีเมื่อไม่เหลียวแลถึงพระพวกพัทธวคีเหล่านั้นก็ควรประธานแก่ภิกษุสาพี่น้องมีพระอุลุเวลกัส ป, ปะเป็นต้นแต่พระศาสดาทรงละเลยภิกษุเหล่านั้นมีประมาณถึงเพียงนี้ เมื่อจะประธานตำแหน่งอัครส า, าวกก็ทรงเลือกนาประธานแก่พระผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมดตอนบุรพกรรมของพระอัญญากดถัญญักษพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราหาเลือกหน้าให้ตำแหน่งแก่พวกภิกษุไม่แต่เราให้ตำแหน่งที่ตนที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วนั่นแลแก่ภิกษุเหล่านี้ก็อัญญาโกนทัญะเมื่อถวายทานเนื่องด้วยข้าวกล้าอันเลิศเก้าครั้งในคราวข้าวกล้าคราวหนึ่งก็หาได้ปรารถนาตำแหน่งอัครส า, าวกถวายไม่แต่ได้ปรารถนาเพื่อแทงตลอดพระอรหันต อันเป็นธรรมเลิศก่อนสาวกทั้งหมดแล้วถวายภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าข้าพระสัสดาทรงย้อนถามว่าพวกเธอจกฟังหรือภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าฟังพระเจ้าข้าพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย แต่กลับนี้ไปอีก91สกลับพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในการนั้นกุดุมพีสองพี่น้องคือมหาการจุลการให้หวันไร่ข้าวสาลีไว้มากต่อมาวันหนึ่งจุลการไปไร่ข้าวสาลีชีข้าวสาลีกำลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดูได้มีรสอร่อยมาก เขาปรารถนาจะถวายสาลีข้าพทานแต่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงเข้าไปหาพี่ชายแล้วพูดว่าพี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีกำลังท้องต้มให้เป็นของควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วถวายทานพี่ชายกล่าวว่าเจ้าพูดอะไรอันการฉีกข้าวสาลีกำลังท้องทำทานไม่เคยมีแล้วในอดีต จะไม่มีในอนาคตเจ้าอย่าทําข้าวกล้าให้เสียหายเลยเขาอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าเลครั้งนั้นพี่ชายจึงพูดกับเขาว่าถ้ากระนั้นเจ้าต้องปันนาเป็นสองส่วนอย่าแตะต้องส่วนของเราจงทําส่วนที่เจ้าปรารถนาในนาอันเป็นส่วนของตนเขารับว่าดีแล้วแบ่งนากันแล้ว ได้ขอแรงมือกับมนุษย์เป็นอันมากฉีกข้าวสาลีท้องให้เคี่ยวเป็นน้ำนมจนข้นปรุงด้วยเนยใสยน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในการเสร็จภัตกิจกราบถุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานอันเลิศของข้าพระองค์นี้จงเป็นไปเพื่อความแทงตลอดทำอันเลิศ ก่อนกว่าสาวกทั้งปวงพระศาสดาตรัสว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วได้ทรงทมอนุโมทนาเขาไปนาตรวจดูอยู่เห็นนาแน่นหนาด้วยรวงข้าวสาลีเหมือนเขามัดไว้เป็นช่อเป็นช่อในนาทั้งสิน้นได้ปีติห้าอย่างแล้วคิดว่าเป็นลาบของเราหนอถึงหน้าเข้าเมา ได้ถวายทานเลิศด้วยเข้าเมาได้ถวายทานอันเนื่องด้วยเข้ากล้าอย่างเลิศพร้อมกับชาวบ้านทั้งหมดหน้าเกี่ยวได้ถวายทานอันเลิศในการเกี่ยวคราวทํำขนณีได้ถวายทานส่วนเลิศในการทําเขณีในคราวมัดฟ่อนเป็นต้นก็ได้ถวายทานส่วนเลิศในการมัดฟ่อนส่วนเลิศในลานส่วนเลิศในลอม ส่วนเลิศในฉางได้ถวายทานอันเลิศรวมเก้าครั้งในหน้าข้าวคราวหนึ่งด้วยประการอย่างนี้ที่แห่งข้าวอันเขาถือเอาแล้วเอาแล้วได้เต็มดังเดิมทุกๆุกครั้งไปข้าวกล้าได้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างยิ่งชื่อว่าธรรมนี้ย่อมรักษาซึ่งผู้รักษาตน สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะห้าติเอซาณิสังโซธรรมเมสุจินเนณดุกกติคัจติธรรมะจารีทรรแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอนิสงในธรรมที่เขาประพฤติดีผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นปกติย่อมไม่ไปสู่ทุกคติอัญญากรธัญญะปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอเลิศก่อนเขาจึงได้ถวายทานส่วนเลิศ9ก้าครั้งในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีโดยประการอย่างนี้แลอันหนึ่งแม้ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระในหงสาวดีนครในที่สุดแสนกลับแต่นี้ไปเขาถวายมาหาทานตลอดเจวันแล้วมอบลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคโรองค์นั้นตั้งปรารถนาเพื่อแทงตลอดทำอันเลิศก่อนเขาเหมือนกันเราได้ให้ผลที่อัญญากรัญญะนี้ปรารถนาแล้วทีเดียวด้วยประการชนนี้เราหาได้เลือกหน้าให้ไหม่ ตอนบุรพ ก, กรรมของชนห้าสบห้าคนมียสศักิ์กุลบุตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าชนห้าิบห้าคนมียสศักิ์กุลบุตรเป็นประมุขทํากรรมอะไรไว้พระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าแม้ชนห้าสิบห้านั้นปรารถนาพระอรหันต์ในสํานักพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทำกรรมที่เป็นบุญไว้มากแล้วภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นเป็นสหายกันทำบุญร่วมเป็นพวกเดียวกันเที่ยวจัดแจงศพคนไร้ที่พึ่งวันหนึ่งพวกเขาพบหญิงตายทั้งกลมตกลงว่าจากเผาจึงนำไปป่าช้าในชนเหล่านั้นพักไว้ในป่าช้าห้าคนด้วยสั่งว่า ท่านจงเผาที่เหลือเข้าไปบ้านนายยะสะเอาเหลาแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาเผาอยู่ได้อสุภาสัญญาแล้วเขาแสดงแก่สหายสี่คนแม้นอกนี้ว่าท่านผู้เจริญพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นที่นั้นดุดรูปโคด่างไม่สะอาด เหม็นน่าเกลียดทั้งสี่คนนั้นก็ได้อสุภาสัญญาในศพนั้นเขาห้าคนไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลือส่วนนยายสศาไปเรือแล้วได้บอกแกมันดาบิดาและภรรยาคนทั้งหมดนั้นก็เจริญอสุภาสัญญาแล้วนี้เป็นบุรพกรรมของคนห้าสิบหามีย์กุลบุตรเป็นประมุกนั้น เพราะฉะนั้นแลความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนด้วยสตรีเป็นดุดปาชา้าจึงเกิดแก่นายสะแล้วด้วยอุปนิสัยสมบัตินั้นการบรรลุคุณวิเศษจึงเกิดขึ้นแก่พวกเขาทั้งหมดคนเหล่านี้ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยประการอย่างนี้หาใช่เราเลือกหน้าให้ไหมตอน บุรพ ก, กรรมของพัทวคีสาคนภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าก็พระพัทวคีผู้เพื่อนกันได้ทำกรรมอะไรไว้เล่าพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้พู้พัทวคีนั่นก็ปรารถนาพระอรหันตในสำนักพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทาบุญภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น เป็นนักเลง30คนฟังตุนดิโลวาดแล้วได้รักษาศีลห้าตลอดห0 0 0 0ปีแม้พัทวคีเหล่านี้ก็ได้ผลที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยประการอย่างนี้หาใช่เราเลือกหน้าให้ภิกษุทั้งหลายไหมตอนบุรพกรรมของชดินสาพี่น้อง ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กสปะสามพี่น้องมีอุรุเวลกสปะเป็นต้นทำกรรมอะไรไว้เล่าพระองค์ตรัสว่าเขาปรารถนาพระรหัตเหมือนกันทำบุญแล้วก็ใน92กับแต่นี้ไปพระพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระติสสะพระพุสสะเสด็จอุบัติแล้ว พระราชาพระนามว่ามหินได้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาแล้วพระโอรสอง์เล็กของพระราชาได้เป็นพระอัครสาวกบุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่สองพระราชาได้เสด็จไปยังสำนักพระศาสดาทรงตรวจดูชนเหล่านั้นว่า ราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตเป็นพระสาวกที่สองทรงเปล่งพ ร, ระอุทานสามครั้งว่าพระพุทธเจา้าของข้าพเจ้าพระธรรมของข้าพเจ้าพระสงฆ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้านอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระอรหันตตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น ดังนี้แล้วหมอบลงแทบบาดมูลของพระศาสดาส่งรับปติญญาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นดุลเวลาที่หมอมฉันนั่งหลับในที่สุดอายุประมาณเก้าหมืนปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่นจงส่งรับปัจใจสี่ของหมอมฉันตลอดเวลาที่หมอมฉันยังมีชีวิตอยู่ดังนี้แล้ว ทรงทำพุทธอุปถาคเป็นประจำอนหนึ่งพระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีกสพระองค์บรรดาพระราชโอรสสพระองค์เหล่านั้นพระองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวาร500พระองค์กลางมี300พระองค์เล็กมี200พระราชโอรสสามพระองค์เหล่านั้นทูลขอโอกาสกับพระบิดาว่า แม่หม่อมฉันทั้งหลายจากนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยแม้ทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้เมื่อปัจจันตชนบทกำเริบแล้วถูกส่งไปเพื่อประโยชน์ระงับปัจจันตชนบทนั้นปราปปัจจันตชนบทให้ราบคาบแล้วมาสู่สำนักพระราชบิดาครั้งนั้นพระบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้งสามเหล่านั้นแล้วจุมพิตที่ศีรษะ ตรัสว่าพอทั้งหลายบิดาให้พรแก่พวกเจ้าพระโอรสทั้งสามนั้นถูนว่าดีละพระเจ้าข้าทำพระพรให้เป็นอันถือเอาแล้วโดยการล่วงไปสองสามวันพระบิดาตรัสอีกว่าพอทั้งหลายพวกเจ้าจงรับพรเสถิดกราบทูลว่า พระเจ้าข้าความประสงค์ด้วยสิ่งรายๆอื่นของหม่อมฉันไม่มีตั้งแต่บัดนี้หม่อมฉันจากนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยขอพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันเถิดพระราชาให้ไม่ได้พ่อพระราชโอรสเมื่อไม่พระราชทานเสมอไปก็พระราชทานเพียงเจ็ดปีพระราชา ให้ไม่ได้พ่อพระโอรส ถ, ถ้ากระนั้นก็พระราชทานเพียงหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนพระชาให้ไม่ได้พ่อพระโชโรส ช่างเถิดพระเจ้าข่าขอจงพระราชทานสักสามเดือนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายคนละเดือนคนละเดือนพระราชาดีละพ่อถ้ากระนั้นเจ้าจงนิมนต์ให้สวยได้สามเดือนก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้งสามนั้นคนเดียวกันสมุู์บัญชีก็คนเดียวกันท่านทั้งสามพระองค์นั้น มีบุรุษ12บสอนุษเป็นบริวารพระราชโอรสทั้งสรับสั่งให้ เ, เรีย บ, บริวารเหล่านั้นมาแล้วตัดว่าเราทั้ง3จักรับศีนสิบนุ่งห่มผ้ากาสายะสองผืนอยู่ร่วมด้วยพระศ า, าสดาตลอดไตรมาะนี้พวกท่านพึงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้ยังของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่ภิกษุ9้าหรูป และนักรบของเราพันหนึ่งเพราะแต่นี้ไปเราจากไม่พูดอะไรอะไรพระชะโรทั้งสามนั้นพาบุรุษบริวารพันหนึ่งสมาทานศีลสิบนุ่งขมผ้ากาสายะอยู่แต่ในวิหารขุนคลังและสมุปัญชีได้ร่วมกันเบิกสเสบียงตามวาระตามวาระจากเรือนคลังทั้งหลายของพระพี่น้องทั้งสาม ถวายทานอยู่ตอนกินอาหารที่เขาอุทิศภิกษุสงฆ์ตายไปเป็นเปรตกรบุดของพวกกรรมกรร้องไห้ต้องการข้าวยาคูและพัดเป็นต้นกรรมกรเหล่านั้นเมื่อภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมาก็ให้วัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นแก่บุตรเหล่านั้น ในเวลาที่พิกษุสง์ฉันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลยในการต่อมาพวกกรรมกรเหล่านั้นพูดอ้างว่าเราจะให้แก่พวกเด็กดังนี้แล้วรับไปกินเสียเองเห็นอาหารแม้ที่ชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้ก็พวกเขาได้มีประมาณ 84,000 คนพวกเขากินอาหารที่ถวายสงแล้ว พระกายแตกได้เกิดในเปรตวิสัยแล้วฝ่ายพระราชโอรสสามพี่น้องพร้อมด้วยบุรุษพันหนึ่งทำกาละแล้วเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวจากเทวโลกสู่เทวโลกยังการให้สิ้นไป92กับพระราชรสสามพี่น้องนั้นปรารถนาพระอารหัสตทำกาลยานกรรมในการนั้นด้วยประการอย่างนี้ ชดินสามพี่น้องนั้นได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันเราจะได้เลือกหน้าให้หาไม่ได้ส่วนสมุูบัญชีของพระราชโอรสสามพระองค์นั้นในการนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารขุน ค, คลังได้เป็นวิสาขาอุบาสกกรรมกรของท่านทั้งสามนั้นเกิดแล้วในพวกเปรต ในการนั้นท่องเที่ยวอยู่ด้วยสามารถแห่งสุขติและทุกติในกับนี้เกิดในเปรตโลกนั่นแหลสิ้นสี่พุทธนดรตอนพวกเปรต ถ, ถามเวลาได้อาหารกับพระพุทธเจ้าสามพระองค์เปรตเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากกคุสันทัก ผู้ทรงพระชนมายุได้สี่0มื่นปีเสด็จอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในกัปนี้ทูลว่าขอพระองค์โปรดบอกการเป็นที่ได้อาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกท่านจักยังไม่ได้ในการของเราก่อนแต่ภายหลังแห่งเราเมื่อมหาปัตพีงอกสูงขึ้นประมาณได้ยอดหนึ่ง พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมานะจะอุบัติขึ้นพวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิดเปรตเหล่านั้นยังการมีประมาณเท่านั้นให้สิ้นไปแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมานะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจึงได้ทูลถามพระองค์แม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ตรัสว่าพวกท่านจักยังไม่ได้ในการของเรา แต่ภายหลังแห่งเราเมื่อมหาปัตภีงอกสูงขึ้นประมาณได้ยอดหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะจะอุบัติขึ้นพวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิดเปรตเหล่านั้นยังการมีประมาณเท่านั้นให้สิ้นไปแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจึงทูลถามพระองค์แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ตรัสว่า พวกเจ้าจากยังไม่ได้ในการของเราแต่ภายหลังแห่งเราเมื่อมหาปัตตพีงอกสูงขึ้นประมาณได้โยอดหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นในการนั้นญาติของพวกเจ้าจะเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายทานแด่พระาศาสดาแล้วจกให้ส่วนกุศลทานถึงแก่พวกเจ้า พวกเจ้าจากได้อาหารในคราวนั้นพุทธนดรหนึ่งได้ปรากฏแก่เปรตเหล่านั้นเหมือนวันพรุ่งนี้ตอนพวกเปรตพ้นทุกข์พระผลทานเปรตเหล่านั้นเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้วเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้นเปลงเสียงอย่างน่ากลัวแสดงตนแก่พระราชาในส่วนราตรีแล้ว รุ่งขึ้นเท้าเธอเสด็จมาสู่เวลุวันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถากฏพระศาสดาตรัสว่ามหาบาพิตรในที่สุด92กลับกัแต่กลับนี้ไปในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะพวกเปรตนั้นเป็นพระญาติของพระองค์กินอาหารที่เขาถวายภิกษุสงฆ์เกิดในเปรตโลกแล้วท่องเที่ยวอยู่ ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นมีพระกุกขสันทัเป็นอาทิอันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสบอกคํานี้คํานี้แล้วหวังเฉพาะทานของพระองค์ตลอดการเท่านี้วันนี้เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้วไม่ได้รับส่วนบุญจึงได้ทําอย่างนั้นพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 แต่มหาฐานนี้ข่าวน้ำอันเป็นทิพย์เกิดแล้วแกเปรตเหล่านั้นเช่นนั้นเที่ยวรุ่งขึ้นเปรตเหล่านั้นเปลือยกายแสดงตนแล้วพระราชาทูลว่าวันนี้พวกเปรตเปลือยกายแสดงตนพระเจ้าข้าพระสัสดาตรัสว่ามหาบพิษพระองค์ไม่ได้ถวายผ้า รุ่งขึ้นประชาชวายผ้าจีวรทั้งหลายแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วทรงให้ส่วนบุญว่าขอผ้าอันเป็นทิพย์ทั้งหลายจงสำเร็จแกเปรตเหล่านั้นแต่จีวรทานนี้เถิดในขณะนั้นเองผ้าทิพย์เกิดขึ้นแกเปรตเหล่านั้นแล้วเปรตเหล่านั้นและอัตภาพของเปรต ด, ดำรงอยู่โดยอัตภาพอันเป็นทิพย์แล้ว พระศาสดาเมื่อจะทรงทาอนุโมทนาได้ทรงทมอนุโมท น, น, นาด้วยติโรกุตสูตรว่าติโรกุเดสุติทานติเป็นอาทิในที่สุดอนุโมทนาธรรมพิสมัยได้มีแก่สัตว์8ป0พันแล้วพระศาสดาครั้นตรัสเรื่องแห่งชดินสามพี่น้องแล้วทรงนำพระธรรมเทศนาแม้นี้มาแล้ว ด้วยประการชนีตอนบุรพกรรมของพระอัครส า, าวกทั้งสองภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าก็พระอัครส า, าวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าพระสัสดาตรัสว่าอัครส า, าวกทั้งสองทำความปรารถนาเป็นอัครส า, าวกจริงอยู่ในที่สุด อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับแต่นี้ไปสารีบทเกิดในสกุลพราหมหาศานได้มีนามว่าสรัทธมานพโมคลานะเกิดในสกุลข้าหบดีมหาศาลได้มีนามว่าซิริวัตถกุตุมพีมานพ์ทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกันสรัทธมานพโดยล่วงไปแห่งบิดา ได้ครอบครองสมบัติเป็นอันมากอันเป็นมรดกของสกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่ลับคิดว่าเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าไหมอันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วทั้งหลายเป็นของเที่ยงควรที่เราบวชเป็นบนรรพชิตยอย่างหนึ่งทำการสแสวงหาโมกรธรรม สรามามนพนั้นเข้าไปหาสหายแล้วพูดว่าเิริวัฒนผู้สหายข้าพเจ้าจากบวชแสวงหาโมกขธรรมท่านจะอาจ บ, บวชกับเราหรือไม่อาจเิริวัฒนตอบว่าข้าพเจ้าจากไม่อาจสหายท่านบวชคนเดียวเถิดสรามามนพนั้นคิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลก พาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่มีกรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองแต่นั้นสรธรรมนพจึงให้เปิดเรือนคลังแก้วออกให้มหาทานแก่คนกัมปราคนเดินทางวันิพกและยาจกทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นฤาษีแล้วจนทั้งหลายบวชตามสธรรนั้นด้วยอาการอย่างนี้คือหนึ่งคนสองคน 3คนจนมีฉดินประมาณ 74,000 มนสี่พันคนสระฉดินนั้นยังอภิน ญ, ญาฆ่าและสมาบัตแ8ให้เกิดขึ้นแล้วบอกกสินบริกรรมแกฉดินเหล่านั้นแม่ฉดินทั้งหมดเหล่านั้นก็ยังอภิน ญ, ญาฆ่าและสมาบัตแ8ให้เกิดขึ้นแล้วโดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุมัตสีสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระนครได้มีชื่อว่าจันทวดีกริย์พระนามว่าสวรรตะเป็นพระบิดาพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระมารดาหมายรกฟ้าเป็นที่ตรัสรู้พระอัครส า, าวกทั้งสองชื่อนิสภัฒ์หนึ่งชื่ออนมะหนึ่งอุปถาชื่อวรุณะอัครส า, าวิกาสองนามว่าสุนธราหนึ่ง สุมนาหนึ่งพระชนมายุได้มีถึงแสนปีพระสรีระสูงถึงห้าสิบแปดศอกพระระสมีแห่งพระสรีระแผ่ไปตลอดสิบสองโยชนภิกษุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมัทัสีนั้นเสด็จออกจากมหากรุณาสมบัติทงพิจารณาดูสัตว์โลกอยู่ ทอดพระเนตรเห็นสรทธดาบทแล้วทรงพระดำริว่าเพราะเราไปสู่สานักสรทธดาบทในวันนี้เป็นปัจจัยพระธรรมเทศนาจากมีคุณใหญ่และสรทธดาบทนั้นจากปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกสิริวัฒกูตุมพีผู้สหายดาบทนั้นจากปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองทั้งในการจบเทศนา เจดินเจ็ดหมื่นสี่พันบริวารของดาบทนั้นจากบรรลุพระอรหัตเราควรไปในที่นั้นดังนี้แล้วถือบาทและจีวรของพระองค์ไม่ตัดเรียกใครๆอื่นสเสด็จไปพระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเทวาสิกทั้งหลายของสรทดาบทไปแล้วเพื่อต้องการพระลาหารทรงอธิษฐานว่า ขอสัตาดาบทจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสัตาดาบทเห็นอยู่นั่นเดียวเสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนแผ่นดินแล้วสัตาดาบทเห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระเสรีระสอบสวนมนสำหรับทำนายลักษณะก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเมื่อออกบวชย่อมเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องมุงบงังอันเปิดแล้วในโลกบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทําการต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ได้จัดอาสนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ แม้สารทดาบทถืออาสนะอันสมควรแก่ตนแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นเชดินเจ็ดหมืนสพันถือปลาผลทั้งหลายที่ประณีตประณีตอันมีโอชามาถึงสำนักอาจารย์แล้วแลดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงพูดว่าท่านอาจารย์พวกกระผมเที่ยวไปด้วยเข้าใจว่า ในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์หรือสรทดาบทตอบว่าพอทั้งหลายพวกเจ้าพูดอะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสิเนรุซึ่งสูง68แสนโยชนให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผกกาดกระนั้นหรือลูกทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยครั้งนั้นดาบทเหล่านั้นคิดว่าถ้าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นคนเล็กน้อยไซท่านอาจารย์ของพวกเราคงไม่ชักสิ่งเห็นปานนี้มาอุปมาบุรุษผู้นี้จะใหญ่เพียงไรหนอดังนี้แล้วทั้งหมดเทียวมอบลงแทบประบาด ท, ทั้งสองถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวแล้ว ครั้งนั้นอาจารย์กล่าวการดาบทเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายทยธรรมที่สมควรแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มีและพระศ า, ศาสดาก็เสด็จมาในที่นี้ในเวลาพิกษาจารย์พวกเราจากถวายทายธรรมตามสัติตามกำลังพวกเจ้าจงนำผลาผลประนีที่มีอยู่มาดังนี้แล้วครั้นให้นำมาแล้วล้างมือทั้งสองแล้ว ตั้งไว้ในบาดของพระตถาคตด้วยตนเองพอเมื่อพระศาสดาทรงรับพลาผนเทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายด้วยตนเองทีเดียวตอนนั้นเมื่อพระศาสดาประทับนั่งทาพัฒกิจแล้วดาบทนั้นเรียกอันเตวาสิกทั้งสิ้นมาแล้ว นั่งกล่าวสารานิยกถาในที่ใกล้พระสัสดาพระสัสดาทรงดำริว่าขออัครสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระอัครสาวกทั้งสองนั้นทราบพระดำริของพระสัสดาแล้วมีพระขี่นาศบแสงรูปเป็นบริวารมาถวายบังคมพระสัสดาแล้วได้ยืนอยู่ในส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้นสรตาตตาบทเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพอทั้งหลายแม้สณานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ําซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสนก็ไม่มีพวกเจ้าควรจะทำพุทธสักการะโดยโอฬานในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขา เวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเนิ่นช้าแต่วิสัยอริทของผู้มีฤทธิ์อันบุคคลไม่ควรคิดเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครู่เดียวเท่านั้นดาบทเหล่านั้นนำดอกไม้ทั้งหลายที่ทถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่น ม, มาแล้วตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาณได้โยชหนึ่งสำหรับพระอัครสาวกทั้งสองประมาณสขายุ สำหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกต่างกันมีประมาณกึ่งโยศเป็นต้นสำหรับภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์มีประมาณอุสภะหนึ่งใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมบทแห่งเดียวจะตกแต่งอาสนะใหญ่โตถึงเพียงนั้นได้อย่างไรเพราะว่านี้เป็นวิสัยของฤทธิ์เมื่อตกแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้น สราดาบทยืนประคองอัญชลีเบื้องประพักของพระตถาคตแล้วกล่าบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดราตรีนานประเพณนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่านานาปุพพัญจะคันทันจะ สั้นนิปเาเตตวานะเอกโตปุพพาสนังปัญญาเปตตวาอิดังวัจนะมัมระวิอิดังเมอาสนังวีรังปัญญตังตะวนันทชวิงมะมะจิตตังปสาเดนโตนิสีดะปุพพามาสเสนสัตตะรตินิวังบุตโธนิสีดิปุพพามาสเสน มมะจิตตังปัสสะเดตวาห้าสยิตตวาเสเดวเกสรธาดาบทเอาดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกันตกแต่งอาสนะดอกไม้แล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตกแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์ พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้วยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ร่าเริงแล้วจึงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันเมื่อพระศ า, าสดาประทับนั่งแล้วอย่างนั้นพระอัครส า, าวกทั้งสอง และภิกษุที่เหลือก็นั่งแล้วบนอาสนะที่ถึงแล้วแกต่ตนแกต่ตนสรธาดาบทได้ถือฉัดดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือพระเสียงของพระตถาคตพระศาสดาทรงอธิฐานว่าขอสักการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่ดังนี้แล้วทรงเข้านิโรธสมาบัติสองพระอัครส า, าวกก็ดีภิกษุที่เหลือก็ดี ทราบว่าพระศาสดาทรงเข้าสมาบัติแล้วก็เข้าสมาบัติเมื่อพระตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจวันพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาเที่ยวไปพิกษาบริโภคมูลพลาผลในป่าแล้วยืนประกองอัญชลีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการที่เหลือฝ่ายสระทะดาบทไม่ไปแม้สู่ที่พิษาจา์ กันฉัดดอกไม้อยู่เทียวให้เวลาล่วงไปด้วยปีติและสุขตลอดเจ็ดวันพระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแล้วตรัสเรียกพระนิสพเถธรัพระอัครส า, าวกผู้นั่งข้างพระประรัดเบื้องขวาด้วยรับสั่งว่านิสภัเธอจงทมอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แกดาบด ท, ทั้งหลายผู้ทาส ก, การะ พระเถระมีใจยินดีประดุดแม่ทัพใหญ่ประสบลาบใหญ่จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิตั้งอยู่ในสาวกบารมาีญาณเริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แล้วในที่สุดเทสนาของพระนิสภัเถระนั้นพระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่สองด้วยรับสั่งว่าภิกษุแม้เธอก็จงแสดงธรรม พระอโนมัติรักพิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกกล่าวทมแล้วด้วยเทศนาของพระอัครส า, าวกทั้งสองการตรัสรู้ไม่ได้มีแล้วแม้แก่ดาบทรูปหนึ่งครั้งนั้นพระศัสดาทรงดํารงอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีประมาณทรงเริ่มพระธรรมเทศนาแล้วในการจบเทศนา ชดิน 74,000 พยกสระทัดาบทเสียทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วพระศาสดาทรงเหยียดพระหัตตรตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทันใดนั้นเองผมและหนวดของชดินเหล่านั้นได้อันตรธานไปแล้วบริขัน8ได้สวมกายแล้วเดียวมีคำถามสอดเข้ามาว่า เพราะเหตุไรสรธดาบทจึงไม่ได้บรรลุพระอรหันต์แก่ว่าเพราะความเป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านได้ยินว่าจําเดินแต่การที่สรธดาบทนั้นเริ่มฟังธรรมเทศนาของพระอัครสาวกผู้นั่งบนอาสนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งอยู่ในสาวกประมียานแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นว่า โอหนอแม้เราพึงได้รับทุระที่พระสาวกรูปนี้ได้รับในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้บังเกิดในอนาคตด้วยปริวิตกนั้นสรรทะดาบทนั้นจึงไม่ได้อาจเพื่อทำการแทงตลอดมักผลได้ก็ท่านยืนถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วในที่เฉพาะพระพักกราบทูลว่าพระเจ้าข้า ภิกษุที่นั่งบนอาสนะลำดับพระองค์มีชื่อว่ากระไรในาศาสนาของพระองค์พระศัสดาตรัสว่าภิกษุผู้ยังธรรมจักอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามบรรลุที่สุดแห่งสาวกบ ร, รมียานแทงตลอดปัญญาสิบหอย่างตั้งอยู่ผู้นี้ชื่อว่าอัครสาวกในาศาสนาของเรา ท่านได้ทำความปรารถนาว่าพระเจ้าข้าด้วยผลแห่งสการาที่ข้าพระองค์กั้นฉัดดอกไม้ทำแล้วตลอดเจ็ดวันนี้ข้าพระองค์ไม่ได้ปรารถนาความเป็นเท้าส ก, กัดหรือความเป็นพรมอย่างอื่นแต่ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระนิสสภเทระองค์นี้พระศาสดา ทรงส่งพระอนาคตังสยามไปพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษผู้นี้จกสาเร็จหรือหนอแหลได้ทรงเห็นว่าผ่านหนึ่งอสงไขยิ่งด้วยแสงกลับไปแล้วจะสาเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจึงตรัสกะสรทดาบทว่าความปรารถนาของท่านนี้จกไม่เปล่าประโยชน์ก็ในอนาคตล่วงไปหนึ่งอสงไขยิ่งด้วยแสงกลับ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระมารดาของพระองค์จะมีพระนามว่ามหามายาเทวีพระบิดาของพระองค์จะมีพระนามว่าสุทโธธนามหาราชพระโอรสจะมีพระนามว่าราหุลพระปู้อุปถากจะมีนามว่าอานน์สาวกที่สองจะมีนามว่าโมกขลานะ ส่วนตัวท่านจะเป็นพระอกระสาวกของพระองค์นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตรกร้นทรงพยากรดับทอย่างนั้นแล้วตรัสธรรมกถามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเหาะไปแล้วฝ่ายสรทธาดาบทไปยังสำนักพวกพระเถระผู้อันเตวาสิกแล้วทรงข่าวไปแก่สิริวัฒกุตุมพีผู้สหายว่า ท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าว่าสารทดาบบทผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตําแหน่งพระอัครส า, าวกในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมซึ่งจะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตแต่บาดมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัทัสีแล้วท่านจงปรารถนาตําแหน่งพระอัครส า, าวกที่สองก็แล ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าพระเถระทั้งหลายเที่ยวได้ยืนอยู่ริมประตูเรือนของสิริวัถะแล้วสิริวัถะกล่าวว่านานหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมาดังนี้แล้วนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะตนนั่งบนอาสนะต่ำกว่าแล้วเรียนถามว่าทำไม อันเทวาสิกบริษัทของพระคุณเจ้าจึงได้หายไปเจ้าข้าสรรท่าอย่างนั้นสหายพระพุทธเจ้าอโนมาทศีเสด็จมายังอาสมของข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทำศักระระแดบรงตามกำลังของตนพระสัสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าทุกคนทุกคนในการจบเทสนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียว ที่เหลือบรรลุพระอรหันต์แล้วบวชข้าพเจ้าเห็นพระนิสพัทธเถระอัครส า, าวกของพระศาสดาจึงปรารถนาตำแหน่งพระอัครส า, าวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวา่าโคดมผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตแม้เธอก็จงปรารถนาตำแหน่ง ส, สาวกที่สองในศาสนาของพระองค์ท่านสิริวัฒนา ข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสียเลยขอรับสรรทะเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นภาระข้าพเจ้าเองเธอจงจัดสการะยิ่งใหญ่ไว้เถิดสิริวัฒนะได้ฟังคำของสรธทะดาบทนั้นแล้วให้ทำสถานที่ประมาณ8กรีดโดยมาตราหลวง ที่ประตูเรือนของตนให้มีพื้นเสมอแล้วเกลีย่ยทรายโปรโยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้าให้ทำบนดบมุงด้วยดอกอุบลเขียวตกแต่งพุทธอาฏ จ, จัดอาชนะแม้แก่ภิกษุที่เหลือจัดสักการะและเครื่องต้อนรับเป็นอันมากแล้วได้ให้สัญญาแก่สรทดาบทเพื่อประโยชน์นิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระดาบทได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปที่อยู่ของสิริวัฐกุทุมพีนั้นแล้วฝ่ายสิริวัฐกุทุมพีทําการต้อนรับรับบาตจากพระหัตของพระตถาคตเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่มณฑถวายน้ำทักซีโนโทกแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบนอาสนะที่แต่งไว อังคาดด้วยโภชนะอันประนีตในเวลาเสร็จพัฒกิตนิมนพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ค, ครองผ้าอันมีค่ามากแล้วกราบถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีประมาณน้อยขอพระองค์ทรงทำความอนุเคราะห์โดยทํหนองนี้แลตลอดเจ็ดวัน พระสัสดาส่งรับแล้วเขายัางมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแลตลอดเจ็ดวันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าสรทธดาบทสหายของข้าพ ร, พระองค์ปราถนาว่าเราพึงเป็นพระอัครสาวกของพระสัสดาพระองค์ใด ข้าพระองค์ตึงเป็นพระสาวกที่สองของพระศาสดาพระองค์นั้นเหมือนกันพระศาสดาทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสําเร็จแห่งความปรารถนาของเขาจึงทรงพยากรว่าแต่นี้ล่วงไปหนึ่งอสงไขยิ่งด้วยแสนกลับแม้ท่านก็จักเป็นพระสาวกที่สอง ของพระพุทธเจ้าพระนามวโคดมสิริวัฒน์ฟังพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วได้เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้วแม้พระศาสดาทรงรมพัตตานุโมธนาแล้วพร้อมทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแลภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความปรารถนาที่บุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้น อัครสาวกทั้งสองนั้นได้ตำแหน่งตามที่ตนปรารถนานั่นแลเราหาได้เลือกหน้าให้ไหม่ตอนสองอัครสาวกทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศ า, าสดาเมื่อพระศ า, าสดาตรัสพระพุทธพจน์อย่างนั้นแลสองพระอัครสาวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบัน คือเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรืองอยู่ไปดูมหะหรสพบนยอดเขาดังนี้เป็นต้นจนถึงความแทงตลอดโสดาปฏิผลจากสำนักพระอัชชิเทระแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สัญชัย ประสงค์จะนำท่านมาสู่บาทมูลของพระองค์แจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระแล้วกล่าวอานิสงฆ์ในการมาที่นี่ท่านสัญชัยตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นอันเตวาสิก ข, ของเรายอมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มเราไม่สามารถจะอยู่เป็นอันเทวาสิกได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่า ท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นจากไปบูชาเฉพาะพระศาสดาท่านจะเป็นอย่างไรตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนเข่ามากเมื่อข้าพระองค์ตอบว่าคนเข่ามากก็กล่าวว่าถ้ากระนั้น พวกคนฉลาดฉลาดจไปสำนักพระสมณโคดมพวกคนเขาเขาจากมาสำนักของเราเธอทั้งสองไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาพระเจ้าข้าตอนผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูกได้รับผลต่างกันพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สัญชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระพระกามที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยไม่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่านั้น เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วได้ทรงภาษิทพระคาถาเหล่านี้ว่าอซาเรซารมติโนซาเรจาซาระดัสิโนเตซาลังนาทิคัตชันติมิช่าสร้างกับโปโคจราซาลันจะซารโตยัตวาอซาลันจาอาซารโตเตซารังอธิคัตชันติ สัมมาสั้งกับปะโคจราชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดาริผิดเป็นโคจรยอมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระจนเหล่าใดรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งเป็นสาระตอนแกะอัดบรรดาบทเหล่านั้นบาดประกาศาว่าอซาเรซารมติโนความว่าสภาพนี้คือปจัจจัยสี่มิชาทิทิมีวัตถุสิบ ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นอสาระผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นว่าเป็นสาระบาทประกาศาว่าซาเรจอาซาระดัสซีโนความว่าสภาพนี้คือสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบ ธรรมาเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นสาระผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระนั้นว่านี้ไม่เป็นสาระสองบทว่าเตซารังเป็นต้นความว่าชนเหล่านั้นคือผู้ถือมิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีความดำริผิดเป็นโครจรโดยสา ม, มารถแห่งวิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเป็นต้นย่อมไม่บรรลุศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศน์สาระและพระนิพพานอันเป็นปรมัภิสาระบทว่าสารัญจั์ความว่ารู้สาระมีศีลสาระเป็นต้นนั้นนั่นแลว่า นี้ชื่อว่าสาระและสิ่งไม่เป็นสาระมีประการดังกล่าวแล้วว่านี้ไม่เป็นสาระสองบทว่าเตซารังเป็นต้นความว่าจนเหล่านั้นคือบัณฑิตผู้ยึดสัมมาทัศนะอย่างนั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีความดำริชอบเป็นโคจรโดยสามารถแห่งความดำริทั้งหลาย มีความดำริออกจากกามเป็นต้นยอมบรรลุสิ่งอันเป็นสาระมีประการดังกล่าวแล้วนั้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องสัญชยัย